พัฒนากันไม่มากก็คืออย่างที่ปุติก็มีสองช่วงด้ยกันในแต่รอนนาาวนนนันเพื่อญากิโยมสะดวกตงไหนทำการที่จะมาถามธรรมะถา ม, ถามปัญหาหรือมาสอนกันน า, า, ามาทำารรมก็เลือกเวลามาได้เพราะว่าถ้ามาอย่างที่วันนี้เนี่ย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 พวกที่นัดการต่อบไปคงจะต้องไม่ประกาศนะทำเ่ยใช่เงแลวก็ง่งอยู่ได้ก็แต่ทำน่ามันก็เหมือนกันอนะ่ะมามาวันไหนก็พูดเหมือนกันไม่ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าจามีทางเลือกเนี่ย แต่ก็ยินดีที่ทุกคนมีความสนใจใส่ใจเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าราบาิงเปนควรเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเรามากยิ่งกว่าทำาทาสอนของพระพุทธเจ้าก็มี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 ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเองินทอ ง, งยกขาบรรดาสักว์การสำรเสินยกย่องเงินยอและความสุดที่ได้รับจากลูกศิษย์เกียรติศักดิ์ศรสิ่งเหล่า น, นี้ล้วมมีการเจริญและมีการเกิดเป็นธรรมดาผู้ที่มีปัญญาเข้าใจหลักของกรนลักเข้าใจหลักของอนิจจัง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 เวลาเราอยู่บ้านเราไม่ได้เห็นกิ่นนั้สิ่งนี้ได้เสงได้สัมผัสกับรูปเสียงกล่ดรสชนิดต่างๆเราก็อยากจะออกไปเสดขณะที่เราอยากจะออกไปใจของเราก็ไม่สงบนวใจของเราก็มีความรู้สึกว้าเวิรู้สึกเบื่อนายถ้าเราไม่ได้ออกไปหารูปเสียงกล่นรสตามความอยากของเรา เราก็เลยต้องออกไปหารูกสื่อถิ่นนั้นแล้วความอยากนั้นก็จะบันเทาไปชั่วขา่าวแต่พอเรากลับมาอยู่บ้านอีกไม่นานความอยากนี้ก็หัวนกับพืนขึ้นมาอีกเราก็ต้องไปหามาใหม่อีกแทนที่จะพิจารณาเห็นว่าความอยากตัวนี้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 เมื่อพิจารณาแล้วเรารู้ว่าเกิดจากสมุทยเราก็ต้องละสมุทยัยพอละสมุทยัยนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาความดยากทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานี่คืออริยาาสัจสทํทำงานอยู่ภายในใจของเราแต่ส่วนใหญ่มันทำเพลงแต่ด้านเดียวคือด้านทุกข์กับสมุทยเวลาเกิดความทุกข์ ก็แทนที่จ ะ, จะเจริหนักก็ใช้สติปัญญาพิจารณาว่าตอนนี้เรากำทุกกับเรื่องอะไรก็ดันไปทำตามคาสั่งของความอยากความอยากบอกว่ า, วาทุกข์เพะ อ, อยากจะดื่มเหล้าก็ไปหาเหล้ามาดื่มเหนแทนที่จะจะจะละสมุทยัยจะกลับไปเพิ่มสมุทยคือไปทำตามความอยากแล้วเป็นยางไง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 พระสกิรานีก็ได้สองในสี่พระอนาคานีก็ได้สามในสี่ส่วนพระอาหารหันต์นี้ท่านจะริ่มมกรได้สี่ในสี่คือได้ครบร้อยดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือการเจริญ ม, มักนี้เองเพราะมักนี้จะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการกำหัดรู้ทุกในการละสมุทัย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 จเจริญที่กายให้ตั้งสติที่กายหรือให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปในขณะที่เราดาเนินชีวิตประจำวันของเรารยพยายามควบคุมความคิดของเราให้คิดให้น้อยที่สุดให้คิดเท่าที่จาเป็นจะต้องคิดเพราะว่าในการทำงานต่างๆเราจะเป็นที่จะต้องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่ขอให้คิดเรื่องที่เป็นสาระเรื่องที่เป็นความจาเป็นต่อการ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 ควบคุมความคิดตุนแต่งของเราทันทีมันจะฉุดลากให้เราคิดไปในทางโลกทันทีเราจะไม่มีโอกาสที่จะดึงจิตให้มาคิดทางสัมมาทิฏฐิทางสัมมาสังกัปปะเลยก็คือการพิจารณาพระอริยสัจสี่หรือพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยจะถูกี่เลสตัณหาพาให้ไปคิดเป็นสมุทัยเป็นทุกข์ไป แทนที่จะเป็นมัคเป็นนิโก็จะเป็นการทำงานของสมุทัยกับของความทุกข์ขอเจาสนาที่ก็อยากจะไปดื่มเครื่องดื่มต่างๆแล้วนี่ก็เป็นกิเลสแล้วดืมน้ำฉเฉยต่อปากไม่ไต้องดืมน้ำที่มีรสชาติมีกลิ่นมีสีหรือไปรับประทานขนมนมเ น, มนยต่างๆทงั้งๆ ท, ที่ยังไม่ใช่เวลารับประทาน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 อยากจะเป็นวัฒนตรีอยากจะเป็นนายยกลัดมนตโมีมันก็ต้องไปงยุ่นวายต้องไปวิ่งเต้งไปหาเสียงต้องเสียเงินเสียทองต้องไปทําบาปทํากรรมแทนที่จะดับทางทุกข์กลับไปสร้างความทุกข์ให้ดูเพิ่มมากขึ้นไปกแล้วรต้องรูจักคำว่ามักน้อยสัมโดเยินดีตามสภาพของเราตามมีตามเกิดเรียกว่าสัมโดฐานะของเราเป็นอย่างไร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 จะช่วยเราให้เราหลับทุกได้เพื่อทำให้เราสิ้นสุดการเวียนว้ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลัมาเกิดใหม่อีต่อไปอันนี้ก็ขอขอวิจิตรไว้ทั่วทั้งสามเคื่อท่านที่เกิดคนอยากเกลียดพยาย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 แยากเ้ใจไปเดียวก็มีกา่ศรัทธาญาติโที่มีศรัทธาสร้างชคอดวงไม้เหรษฐีทั้งหลายพอหลวก็ส่งไปตรวจไปใช้ให้เขาเป็นทัง้ ง, งกลางทั้งางพราหไม่ทรงอยู่ที่ไหนประจันแต่สมายก่อนพต้องต้องต้องเปลี่ยนที่อยู่เ ร, ยเรื่อยเพื่อที่จะได้ไปเ้าแผ่พ่อทำคาสอนให้แก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 สมัยพระพุทธการเป็นขาระเจ้างานลำบากเยไปลงไหนก็เดินชนก <c oughs> <c oughs> ันสมายนี้ก่อจะหาได้เจอพระองคมอ์มีนบากเดินหากันถ้าเป็นแทบตาเพราะไปสร้างเงินก <c oughs> ันไปสร้างเจดีย์ไปสร้างโบสถ์ไปสร้างศาลากัน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 มีสถานที่ไว้ประกอบพิธีกรรมแต่ไม่เคยเน้นเรื่องความหรูหราเน้นความทุสตดาในเรื่องของวัตถุเลยที่ตรงไหนก็ได้เพียงแต่กำหนดบริเวนขึ้นมาเพื่อไปหาป่าตรงไหนสร็จตรงน้วก็บกว่าเนี่ยกว้างททนิยาทานี้เป็นเป็นเป็นเป็นสีลาก็เป็ดขึ้นมา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 มีมีมีผู้่นกำหนดไว้เป็นสีมาเรื่องแล้วก็มีพิธีสวดยกเลิกสีมาเก่าก่อนแล้วก็แล้วก็ยัติดีมาใหม่ขึ้นมา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 การใช้เก็มหลบท์เขียนสมัยก่อนง่ายมากเรื่องเรื่องวัตถุถาวร ว, วัตถุติที่ว่าสายก็ถ้าไม่มีก็อยู่ทางคนไม้กันหาหากลิ่งงวงกิ่งไ ม, มห้หาอะไรมาเกาะมาสร้างกันพอให้มันเป็นเพิงหลบแากหลบฝนได้ก็อยู่กันได้ละวมันไปอยู่ตามข้ามอนี้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 ก็จะกายเป็นอาหารของของปูของกลาไปไม่มีโอกาสที่จะเจริญงองงามโผขึ้ น, นามาเหนือน้ำได้พวกที่มีโอกาสก็พวกที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธศาสนานี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมทำสอนเชื่อพรอะอริยสงเจ้าลยแล้วก็พย า, า, ายามปกิจสการดำเนินเดินตามเท่าที่จะ ทำได้ตามกำลังของสติปัญญาวิรยิยะคว า, ามภาคเพียงของแต่ละท่านก็จงมีคามเหลื่อมล้ำต่างกันไปเพราะสติปัญญาภามเพียงของแต่ละค น, นก็มีไม่เท่ากันนะบางคนก็ไปได้ไกลกว่าบางคนก็ไปไม่ได้ไกลแต่ก็สามารถที่จะ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 ก็จะเป็นเหมือนไก่ได้พลอยไั่นันไม่ชอบรอยม่ชอบไส้เดือน่วกเราที่ไม่ชอบนับส่วนนิทานก็ค่อเหมือนกับเราชอบไส้เดือนชอบดูบสเสียงจิตเราชอบราเริงสนุกสนานชอบแบนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นอี่างนี้ตลอ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 ที่จะสอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงน้งเป็นอย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วแต่เราขาดความเพียรขาดความกล้าหาญที่จะหาความสุขที่แท้จริงเพราะก่อนที่จะได้ความสุขที่แท้จริงนี้เราต้องเหนื่อยเราต้องลำบากถึงจะได้มาซึ่งพระพุ ท, ทพธเจ้านี้ต้องออกจากวางังห็นไ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 แล้ในที่สุดทั้งก็ได้ทางเส็ขที่แท้จริงเป็นปรมามมนคงสุดๆเป็นความสุขถาวรที่ถาวรไม่มีวันหมดสิ้นไปความสุขที่อยู่ในวางนั้นมันก็มีแค่ชั่วอายุไขหรือไม่หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกเขาโค่นอำนาจไปก่อนก็ได้ความสุขนั้นก็หมดไปเชช่วงนี้ได้ข่าวเรื่องของประเภทต่างๆที่มีการ ขค่อนอำนาของผู้คองบ้านคองเือนกันเพราะมันไม่เที่ยงไงมันถึงเวลามันก็หมดได้บางทีเนะยยังไม่ทันตายเลยก็หมดอำนาววาสนาได้หมดความสุขได้แต่ถ้าเรายอมทุกข์ยอมสลับความสุขเล็กๆกน้อยๆยที่เรามีกันนี้เพื่อไปทำเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า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 เก็บตัวแบบพระที่ท่านปฏิบัติท่านก็ต้องอยู่กันแบบอดอยากครับแพงแทั้งที่มีมากก็ยังต้องบังคับตัวเองไม่ให้มีมากแม้แอาหารจะจะฉันนะสามสามื้อก็ฉันได้ญาติโยมเอามาถวายนี่เก็บไว้ฉันถึงเย็นถึงอาทิตหนึ่งก็แล้วกัน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 พอเราทำางนี้ได้แล้วต่าอไปมันก็จะเกิดอาการอุเบกขาขึ้นมาปล่อยว่าแล้วถึงแม้ว่าอาการเจ็บที่มีอยู่จะไม่หายไปแต่ใจของเราก็จะเฉยๆกับมันไม่มีการรู้สึกหวาดกลัวหรือทุกข์ทรมานใจไปอย่างเดียวถ้าถ้าแค่ได้วิธีนี้แล้วต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไเพราะเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับเขาแล้ว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 ก็เช่นเดียวกันก็คือเสียงกับพางานทางเราก็พยายามทำให้มากที่สุดทำให้หมดไปเลยได้ก็ยิงดินจะได้หมดภาระไปหมดปัญหาไปนั้นก็ที่บ้าจะหยิดชั่วทาแล้วพักเดินหน้าหน่อยอืมคจ ปกติที่ร้ามีจัดทุกศสารับูค้าจัดที่ศาสนาอะไรไหมที่นี่ไม่มีอะที่ร้าียงร่านเขามีที่พักให้พักแล้วก็ให้ลองโดดช้ายว่าถ้าสวยน้อยแค่ไหนทสมาธิกันค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 ปฏิบัติของเราเนี่ยื่อเราปฏิบัติเองที่บ้านเนี่ยเราจะตรวจสอบตัวเองได้ยังไงครับว่าน้างด้านหน้ามันหายดีขึ้นเนาะกดูที่อาเราอารมณเราอารมณ์เราขึ้นเรื่อเบาลงความห่วงใยทาใจของเรานี้น้อยลงไปนี้มากขึ้นดูที่เราเรา สบายใจใส่วางได้รับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้ก็แสดงว่าเรากล้ามาถ้าเรารับกับสิ่งต่างๆได้แสดงว่าเราเล้ยงได้มากางปฏิบัติก็เพื่อให้เราอยอมรับความจริงว่าไม่ไเยอะไรเป็นไปตามความคาสการณ์ของเราไหนมาร่วมไปเพ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 รือบ้าเพ่ออยากจะไปให้จัดการกับเขาอยากจัดการกับสิ่สตงต่างๆให้เป็นไปตามความต้องาการของเราแสดงว่าเรากำลั ง, งบ้าเลยเราต้องปล่อยเขาเขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาไปเราอยวไปบ้าเราต้องถักกลับมาที่ความเป็นปก ต, ติของใจเราครับเมื่อใจเราเป็นปกติแล้วที่เรามีความจำเป็นในกองจัด ก, การากับเรื่อ ง, องเราก็จัดการจัดตามความสามารถตามต า, ามความเป็นไปได้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 พอเราเป็นอยู่ในเหตุการณ์เราจะได้ปล่อยวางได้ทันแก้ไขปัญหาของใจเราได้ทันการปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ใช่แต่จะปฏิบัติเฉพาะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใมันไม่ทันการเหมือาหาต้องฝึกซ้อมการต่อสู้ไว้ก่อนการป้องกันประเทศไว้ก่อนพอเวลาเกิดฝึกสงครามเกิด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 กเรื่องความทุกข์ตลายให้หมดไปจากใจงานที่จะสร้างความสุขที่ฐาวนให้กับใจเราไปตลอไม่มีวันสิ่นสุดอยู่ที่งานนี้งานที่พระพุทธเจ้าได้ทํำมาแล้วแล้วก็ได้มอบมาให้พวกเราทําทํากันเพราะทรงเห็นว่าพวกเรายังไม่รู้จักความจริงนี้นั่นเองถ้าไม่สอนก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ด้วยตนเอง จึงต้องเสียเวลาเป็น 4.5 ปีด้วยกันสั่งสอนญาดโยมพระเมรุเทวดาทุกวันพุทธกิจ5ของพระเจ้ามีอยู่5ประการตอนบ่ายทรงสั่งสอนข่าวร้ายญาดโยมตอนข้าสั่งสอนพระภิกษุสํานเมรตอนเย็นสั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกทรงบินระบาดก็เรียงยานดูว่า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 ปฏิปันโนสามีทธิปฏิปันโนอยู่ที่สี่พ่อในทะเลไทยก็ไา้แต่นายพระพุทธเจ้มีพระอรหันต์มีทุกมีทุกเพศทุกวัยเด็ดก็มีสามเณรกันีภารว่าก็มอย่างพรว่าจสด็จยาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เจ็ดวันก่อนจะเสด็จสอนรคตเนี่ยอำนาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย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 อย่าลืมคุณค่าอันต่อสของพระธรรมคำสอนนี้คอยเราฝปศึกษาเยีนดีศึกษาเยีนดีปฏิบัติแล้วเราจะไม่ผิดหวังชีวิตนี้เราจะได้กำาลอย่าอย่าอย่าเป็นฝ่ที่ได้องแล้วก็เขีย่ยทิ้งไปตัวแต่เขีย่ยหาแต่ไข่เดือนคือหาความสุขทางกางหรืกำดเรื่องกลานีน้คือไข่เดือนสำหรทกเราส่วนี้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 คอความสุดที่พวกเราหากันพยามองเห็นความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่เพื่อเพื่อที่เราจะได้ไม่อยากที่จะได้ความสุขแบบนี้กระจายนะเหนื่อยเดินตอนนะี้ <c oughs> ให้ก่อนนะี้เพลินะไม่หัก